รประวัติทางศาสนาพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพโคดพระอรหรันต์แล้วก็พ ร, ระเจ้าจะก็พัดบุคคลตี่จำพวกเนี่ยควรจะเจดีบุคคลบุคคลอื่นไม่ควรเห่างนนั้นในประวัติทางศาสนา เสร็จแล้วก็มีฝนไปสักการะบูชาคนจิตจิตทางกุศลคึงค่อยไปหลเป็นการมาะจรสวรรค์คนจิตไปกราบไปวหวไปยินดีเหลื่อมใสททำให้ตายไปไปสวรรค์ในสุขคติอันนี้ก็ เป็นความินได้ใจเลื่มใสใจยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์แัใ่ใจแต่ยินดีเพียงแต่เขาไปก็ไปตามเขาไม่ได้ตั่งใจจะไปกราบ ไ, ไหว่าไปเอาบุญไปสักก า, าระบูชาอะไรนั่นก็ไม่เกิดผลและประโยชน์ให้เพราะจิตเขาคนแย่ไปก็ต้องมีมุ่ลคนละจิตภายใน ่าไปวัดไปวาไปสัางคุณงามความดีต่างๆมันต้องคิดขึ้นมาจากจิตก่อนจิตยินดีจิตเลืองใสถึงม่ได้ทำอะไรภายนอกแต่ถ้าว่าจิตยินดีจิตเลืองใสเต็มใจในผูกบริสุทธิ์ก็มีทางที่จะได้ไปสู่สุขสติพบได้ถ้าหาก ระยะเวลาระลึกเลือก อ, อยู่นั้นพอดีสินชีวิตทังครัวไปตัว อ, อย่างในตำรับตำร า, าอ้างไปหลายแห่งหลายหนอย่างข้างข้าวยินดีในธรรมติมพระสงฆ์สาทยายในธรรมแต่ข้างข้าวนั้นเขาก็ไม่ทราบว่า ส, สาทยายอะไร แต่เขาเต็มใจเลื่อมใสยินดีในเสียงรรทรศีิพระสานสัา ย, ยทางบนญแต่เหล่านั้นพอ <c oughs> ตายไปก็จ้ไปเกิดสวรรค์มีตำนานกล่าวอ้างเอาไว้ตำนานทางศาสนาเอกจากนั้นก็ลกเข้าเลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้าในพระสงฆ์ ปกติพระพุทธเจ้าหรือสาวกสมัยนั้นท่านชอบอยู่ป่าเป็นปกติของภาริยะเจ้าชอบอยู่ป่าไม่ชอบอยู่ในบ้านชอบอยู่ในเมืองหรือว่าเป็นที่งสุขสิ่สบายร่างกายและใจของท่านเป็นมหาวิทยาลั ย, ย <c oughs> สําหรับ จิตฝึกใจให้สงบ้นจากิเลสตัวของพระ อ, องค์ก็ได้ไมาจากทีวิเวกที่สงบอย่างนั้นพอเนี่ยสอนพิสุสามเณรที่บวชเข้ามาในศาสนาก็ให้แสวงหาทีวิเวกหรืออยู่ในทีวิเวกทีวิเวก ท, ที่ป่าหรือก็มีสัตป่าเป็นธรรมดานกมันอยู่ป่าแต่นกตัวนั้นเกิดศรัทธาเลื่องไส ยินดีเต็มใจในพระผู้ใจเจ้าและพระสงฆ์พอท่านออกบินะบาทนกจะต้องบินตามไปถือว่าไปส่งเสียว่าท่านกลับมาก่กลับมาตามท่านนกทำอยู่อย่างนั้นเป็นระยะหลายวันมาเห็นทุกผู้ใจเจ้าเหลื่อมใสศรัทธาบินไปบินมา เวลาทันไปไปบินไปตามเดลาทันมากลับมาสุขีพักีอาศัยฉันยังหันมันก็บินมาด้วยแต่มีเหี่ยวมาเอาไปกินเสียเลยใจสัตธาในพระพุทธเจ้าในาพระอริยเจ้าที่บริสุทธิกก์ลบตัวนั้นเกาะตายจากชาติของนกเกาะเดียไปเกิดบนสวรรค์เหมืน ง, งั้นนี่ตำราหนึ่ง จำลาอีกจำลาหนึ่งก็เรื่องมัตสกุลพลีเป็นลูกของเศรษฐีเศทษฐีชิตันีเศรษฐีไม่เคยทําคุงานความดีอะไรแต่ตอบกล้ยวยแสว้งหาต้มบัติเข่าของอยู่ตลอดเวลาลูกชายก็มีเพียงคนเดียวลูกหญิงก็ไม่มี ตำแหรับตำราสาวโอไว้พรเจิดใหญ่อายุ16ปีประเทศนี้สมัยนั้นก็คงจะเหมือนกันกับประเทนี้สมัยนี้หมะสมัยนี้ผู้ชายชอบไว้ผมยาวสมัยนั้นผู้ชายใส่ตุ้มหูมาตรคุณทรีเรียกว่านายตุ้มหูเกลี ย, ยง เพ่จะไปให้่างเขาทำให้เสียว่าจะเสียอาจเสียภยัยเสียเงินเสียทองตัวทาเองก่อนไม่มีรัวไลอะไรก็ทโดยองทำนั่นแหละแต่ไม่มีหัวไลอะไรมันจะคุ้มดี น, นี่แต่เป็นภาษาไทยว่านายสุงหูเจี่ยงสุงหูไม่มีหัวมีไลชายคนนี้อายุสบหปี่ามายหยไข้ ป่วยไข้ก็ปกติธรรมดาสามัญชนเราหรือมีภาษิต ร, รับรองเอาไว้ว่านัิบุตรสมตัมมงสตมารทำรักอื่นเสมอโดยรักบุตรไม่มีแต่เศรษฐีคนนี้ไม่ถูกตามตำราคือรักทรับที่เขาหามาได้มากกว่าบุตรของตัวบุตรป่วยไข้แทนที่จะไปหาหมหาหมอมารักษา เขาก็เมินเฉยเขากลัวเขาจะเรหยุดยาจะเสียเงินเสียทองไปแต่จะไปถามคนนั้นถามหมอคนนี้แบบคนป่วยแบบนั้นเอาอะไรใส่มันจะหายเอาอะไรรักษาเขาก็บอกไปเอาหยุดอายานั้นอันนี้ก็ไปหาเอาจริงที่งไปซื้อสมุนไพรตามป่าหามาไอ้กินให้ทานกันแต่มันก็ไม่หาย นับวันกําเริบทรงและซุดเลื่อยไปผลที่สุดเมื่อไขรหนักเข้าจะเอาไว้ในบ้านบนบ้านกลัวคนอื่นเขาจะขึ้นไปดูจะไปเรื่องหมาบภูบุรีหรือไปเห็นเข้าของเขา้าเ็าจะขอเอาคิดเปงกันสองพวัวเหียญก็เลยเอาลูกห้องตัวมาไว้ใต่ถุน การป่วยก็นหนักเข่าทุกวันทุกวันแต่วันนั้นพระพุทธเจ้าของเราปกติพระพุทธเจ้า <c oughs> ตอนจวนจะสว่างแผ่นพิจารณาสันโลกว่าสัตตัวไหนมีอุปนิสัยพอที่จะไปโปรดถึงจะไกลแสนไกลพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเพื่อสันโลกจะได้มีอุปนิสัยสันโลกให้ได้รับอันนี้สงจากการพบการเห็น ได้ยินได้ฟังนี่พระพุทธเจ้าเป็นปกติของท่านพิจ า, ารณาสันโลกอยู่ทุกวันวันนั้นตอนจวนจะสว่างหนังภาวนาพิจ า, ารณาสันโลกจะไปโปรดใครวันนี้พิจารณาไปพิจารณามาเห็นมัตคุณทลีลูกเกศชีก้อนนี้เขาไปเกาะถ่าย คือเขาไปเกาะพยานของท่านท่านกับพี่เจนาดูว่าอายุของเขาเขาจะไปวันนี้จะตายวันนี้ทาให้สเสด็จไปหาเขาก็จะการเกิดของเขาก็จะขาดทุนสุนกรมไรไม่มีบุญมีกุศลอะไรนับแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันนี้ไม่เคยยินดีเหลื่อมใสไม่เคยเต็มใจให้ทานรักษาศีล พ่อแม่ของเขาก็เป็นคนมิจฉาทิฐิไม่ยินดีเดื่อมใสในทางศาสนาเขาเองเกิดมาก็ไม่มีโอกาสได้คิดได้นึกเพราะไม่มีคนแนะคนสอนพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นว่าเราชาวันนี้ถ้าเราเสด็จไปฮักเขาจิตไข่อยู่นั้นให้เขาเห็นเขาจะเกิดความเลื่อมใสแล้วก็จะตายไปเดี๋ยวจะทำประโยชน์ ให้แจกเขาคือเขาได้ไปเกิดสวรรค์นอกจากนั้นก็ยังจะมาพระมานบิดามานดาของเขาอีกให้ได้รับผลรับประโยชน์พระพผู้ใช้เจ้าจิจใจนาเห็นอย่างนั้นพอตอนเช้าสว่างมาก็คลองผ้านำบาทออกไปบินขบาทนำหน้าพระโสดออกไปก็ทราบดีอยู่แล้วว่าตระกูลเศรษฐีคนนั้น เขาไม่เคยให้อะไรเป็นทานสักทีแต่ความมีพระไทยอันบริสุทธของท่านจะไปเพื่อให้มัทกุลศ ร, รีลูกชายเศรษฐีเห็นไม่ใช่ว่าจะไปวินทบาทจากเศรษฐีระยะนั้นเขาเลยกำลังไข่หนักอยู่แล้วเขาก็จะตายในขณะระยะวันนั้นน่ะ ไม่นานเขากวรจะตายพระองค์ก็พาพระสง์เกี่ยวไปพอไปถึงบ้านเขานอนอยู่ใต้ถุนท่านก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นเนะี่ยมัทกุละลีเห็นพ่าอากาศจิยาของท่านสังวรระวังหน้าดูรูปร่างก็สวยงามจิยิยามารยาทก็สวยงาม ทุกสิ่งทุกอย่างทําจิตทําใจให้เหลื่อมใส ท, ทําจิตทําใจให้ยินดีคิดไปไหว้พอแม่ของเรานี้ขันมายือนอยู่นี้ก่อนไม่มีอะไรไปบาทให้ท่านแล้วก็นีนนมนพระคุณเจ้าโปรยข้างหน้าเถอะบอกลงมาจากบ้านให้ขันไปโปรยข้างหน้าวัชกุลทะเล ที่นอนที่เจนาไท่หนงๆที่นั้นเห็นเกิเกเกเกดศรัทธาเลื่อมใสยินดีเต็มใจถอเราไม่เกิดในตระ ก, กูลที่ผิดอย่างนี้เราเกิดมาตั้งอายุ16ปีเราคงจะมีวันใดวันหนึ่งได้เขาไปกราบไปไหว้ไปดูไปชมวัดป่าของท่านอันนี้เราเกิดในตระ ก, กูลมิจฉาพิธิจึงไม่มีโอกาสเวลาที่จะไปทำบุญชุนทานอะไรแม้แต่จะไปกราบไปไหว้ด้วย ตัวของตัวเองกว่าเคยคิดคำนึงอยู่ในจิตในใจพระพุทธเจ้ากว่าทราบวาระิตกว่ามัทตคุณตลีทําจิตของแกดีแล้วจิตของแกเป็นกุศลแล้วจิตของแกเลื่อมใสแล้วในเราสถานก้และพระสงฆ์พราองค์กว่อาออกไปจากที่นั้นมินทบาทีท่ใหม่จิตเข้าใสบาตรให และยาสีท่านไปในนานมันถูกคุณธีกรตตายพระจายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ตามตำหนักตนานาถเสีย <c oughs> ก้าไวไปเกิดบนสวรรค์แล้วคิดว่าเอแรงศรัทธาที่มีความเรลื่อมใสในผู่วริสุดโดยไม่ได้ ทำอะไรให้ทานรักษาศีลไม่เคยภาวนาไม่เคยเพียงแต่เห็นพุทธิชนบริสุทธิ์ทันทีหมดกิเล็ดด้วยความเหลื่อมใสในใจเราก็มีอ น, นิสงยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราเนี่มาเกิดบนสวรรค์มีปร า, า, ราสาทวิมันแตงงานงามมีเข่าคล้องเป็นทิพยทุกอย่างก็เพราะอ น, นิสงที่เหลื่อมใส เต็ม ใ, ใจในพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ในใจเกิดจากเหตุอื่นเรื่องอื่นเกิดจากความเหลื่อมใสยินดีพอใจในผูกบริสุทธ์เท่านั้นทราบในกิตในใจเข้าใจเรื่องจิตตัวมาเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์แล้วก็มองลงมาดูบิดามารดาของตนถึงเป็นมนุษย์อยู่ ท่านจะมีทุกมีร้อนขนาดไหนเราตายไปเขาก็าไปเผาไปฝังเป็นปกติไหนว่าสมัยใดคนตายจะเอาไปทำปา่าทำเกรื่อนกระองไม่ได้ตายไปจะต้องทิ้งเป็นปกติประเพณีของคนตายนี่ก็ทำนองเดียวกัน แต่แกร้องไห้ลําพันถึงลูกอยู่ตลอดระยะเวลาเพราะมีลูกชายเพียงคนเดียวเท่านั้นตายไปแล้วก็ไม่ทราบว่าสมบัติเข่าของนี้เมื่อเขาตายไปจะเอาไปให้ใครลูกก็ไม่มีแต่ก็ความตันหนีในใจก็ตนหนีอยู่อย่างนั้นเหมือนกันกับว่าได้มาแล้วจะเอาไปอีกได้ ความคิดในจิตในใจไม่ยอมเสียสละมีเตตนีหัวหุ่มจิตใจอยู่ตลอดระยะเวลาแต่ก็ยังคำนึงถึงลูกว่าลูกตายไปนี้มันจะมีอยู่มีจินอะไรเราจะทำอย่างไรลูกเพราะเราจึงจะได้รับอาหารการกินความคิดด้วยมิจฉาทิฏฐิไม่เคยศึกษา สำหรับจำลาไม่เคยคิดเคยนึกไม่เคยฝึกปฏิบัติว่าทำอย่างไรจะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่คนที่ดวงรับดับไปเขาก็คิดของเขาเอาเองว่าต้องเอาอาหารข่าวปลาอาหารไปส่งที่หลุมฝังนั่นแหละจะเป็นการ ส่งียเขาเขาจะได้รับผลบุญผลกูผลเขาจะได้รับอาหารที่ไปส่งให้สําหรับตําราที่เดินเก่าเอาไว้เจ็ดผีผัวเมียสองคนนั้นก็ตอนเช้าก่อตกแต่งอาหารเหตุผลใช่ตามไปส่งทุกวันไปส่งที่ลุมฝังศรรค์ทีเผาศก ดูเหมือนว่าป่าช้าที่เผามัทกุลทลีหรือฝังมัทกุลทลีนั้นจะอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากบ้านเมืองของเขาขอสงคควรและมีผ้่วยทองกันเอาไว้ทุกวันจะให้คนใชน้นำอาหารไปส่งอยู่อย่างนั้นมัทกุลทลีก็เห็นเข้าใจ วิดามารดารยินดีให้คนชายนำสิ่งของไปให้แต่มัทักุลพลีวันนั้นเป็นวันในการคืนฝนตกหนักแล้วคนชายแทนที่จะไปส่งที่เขาศบฝังศบ มันไปไม่ได้นะมันนองเจิงไปหมดทำไปไม่ได้ก็เห็นพระมาวินทบาตรก็เลยใส่บาทพระถ้าจะเอากลับมากลัวนายจะดุดาววันนั้นแหละเป็นวันที่ได้โอกาสของมัทกุลธลีมาเข้าฝันของบิดาของเขา ว่าวันนี้ฉันได้รับทานอาหารอริอร่อยแต่ฉันตายไปกว่าหลายวันแล้วมีดามารดาพ่อแม่ไนี่คิดถึงรักให้ฉันเลยเพื่อจะให้ฉันได้รับอาหารวันนี้เหม น, นรู้สึกว่าแกจำได้แน่เหมือนกับมีคนมาเล่าให้ฟังและก็เห็นลูก ต้องตัวในคำฝันมาบอกอย่างนั้น <c oughs> ตอนเช้าตื่นนอนมาก็เรียกคนชายมาถามเองเอาของที่เราให้ไปไหนกันทุกวันฉันบอกว่าไปส่งที่หลุมฝังลูกของฉันเองเอาไปหรือไม่คนชายก็ตอบว่าเอาไปทุกวัน ไม่ได้วไปที่ไหนทำไมลูกของเรามาบอกคืนนี้บอกว่าเพิ่งได้ทานอาหารวันนี้ทุกวันเขาไม่ด้ทานอาหารแล้ววันนี้แกเอาไปที่ไหนทําอย่างไรเมื่อวานนี้เพราะตอนกลางคืนมาข้าความฝันแกก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่า ันไปไม่ได้เมื่อวานนี้ฝนตกหนักทมฝากไปไม่ได้ก็เลยเห็นข้ามาใส่บาตรมาบิณฑบาตก็เลยใส่บาตรพระมีเป็นเรื่องประทับใจฝังใจของเจ็ดสีว่าทำบุญแจกพระมีอา น, นิสงส์ไปถึงจิตายไป ได้รับผลเสื่อมใทส่งที่ห <c oughs> ลุมฝังหรือเตาเผานั้นคนตายไปไม่ได้รับอันนี้สงอะไรเ <c oughs> พราะทราบจากหลูกห้อตัวที่มาบอกในการฝันเขาบอกอย่างนั้น <c oughs> จำไม่แม่นนะหลวงตาเพราะเคยอ่านผ่านตั้งแต่หลายปีมาแล้ว แล้วจากนั้นก็ดูเหมือนร้องไห้ลำพันถึงไอ้ลูกอยู่เรื่อยเรื่อยหรือความระลึกถึงความคิดถึงของพ่อวันหนึ่งดูมันไปดูที่หลุม <S <S สังศพของลูกลูกก็ลงมาจากสวรรค์เห็นพ่อร้องไห้ถึงแก่อยู่อย่างนั้น มัทกุลทลีก็กับเพศแปลงเพศเป็นมัทกุลทลีลงมาหาขอร้องไห้ถึงลูกที่ตายไปลูกก็ร้องไห้อีกเหมือนกันเป็นพ่อ <c oughs> จำไม่ได้ <c oughs> แล้ว มักทกุลธลีลูกเลยถามว่าร้องให้หาอะไรทำไมถึงร้องให้ไอเจ้าเศรษฐีคุณพ่องบอกว่าร้องให้ถึงลูกที่ตายไปอย่าง น, นีหน้าตาทุกอย่างก็เหมือนคุณมัทคุลธลีนี่นะเอ๋คนคนนี้เหมือนลูกของเราจริงจังทุกสิ่งทุกอย่างดูที่ไหนก็เหมือนเดเธอเหร ร้องให้อยากได้อะไรร้องให้แยใจอะไรแต่ว่าถ้าคุณทวีเขบอกว่าร้องห้อยากจะได้พระร์พระอาจาร์มาทำไอ้อะไรจไม่ได้ตอนนี้าทำไอ้หล่อรถมงไอ้เจ้า เด็กจีก็เอ้นี่มันโง่จะตายไปหาจนหนามตาเป็นเหลือดหาจนถึงวันตายมันก็มีใครได้หรอดวงจันทร์ใครจะไปเอามาได้ไอหลูกชายก็กคุณพ่อนี่ก็โง่ไปหาจนวันตายก็มีมีกลับมาแหละคนตายจะหาเท่าไร่กว่าหาไปเถอะคนตายทิ่ไปฝังใส่เผาแล้วมีแต่มันเน่ามันเยื่อไป เ้าก็ไม่เห็นรูปร่างกลางตัวอะไรฉันลองให้อยากได้นใหาจันฉันยังมองเห็นนะยังดีกว่าจงพ่อนี่แคเอียดหวงนั้นสอบถามกันไปสอบถามกันมากกวเลยเล่าเรื่องของตนเหตุฟังหลายเดียวนี้ที่ลงมาที่มาหานี้เพราะด้วยอำนาจสงสารเมตตาขอเป็นมิจฉาทิฐิ เดี๋ยวนี้พระพุทดธดเจ้าก็เจดอยู่นั้นอ้หนไปไหนกันบานพวกเราก็เข้าวของเงินทองอะไรก็ไม่อดยาจ้าจนพอเกิดมากกม่เคยจะทำ่อมเพนบุญกุศลอะไรพอตายใจก็ไม่มีหวังจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกนอกจากจะไปเกิดเป็นสัตว์ ทำใหตกนรกเพราไม่ไมเคยทําคุณงานความดีอะไรไว้แต่มาเกิดเป็นสัตว์รักษาทรัพย์หนูหลวงทรัพย์นี่ไปตกนรกผนจากนั้นก็จะมาเป็นเปรตเป็นผีคอยรักษาสมบัติอยู่อย่างนี้มันมีวันที่จะได้รับความสุขความสบายชันนะได้ไปเกิดสวรรค์มีความสุขความสบายมาก สมบัติในสวรรค์ของคุณพ่อนเพียงแค่นี้ไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของฉันสมบัติในสวรรค์ของฉันมีมากกว่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ล่ะน้าดูอดอยากอยากจนอะไรมีแต่ของทิพย์ทั้งนั้นเยี่ยงกาดาน ด, ดื่มในอดเอ๊ะเธอไปเกิดสวรรค์ด้วยอะไร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 หึงหวงสมบัติอยู่อย่างนั้นไม่ทราบว่าจะหึงหว ง, งไปได้แค่ไหนตายไปแล้วเขาก็เอาไปจิ่งไปเผาไปฝังทถานั้นปูดกันไปปูดกันมาคุณพ่อของมัทบุนทรีเขาก็จำได้นะวันนั้นต่อมีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สเสด็จมาปวดจริงจังก็จำได้ก็เลยเกิด ลังเล้สงสัยเกิดปัญหาในใจแต่มันจะแท้จริงอย่างไรคนคนนี้เขาบอกว่าเป็นลูกของเราแล้วเขาเคยทำบุญทุนทานอะไรทำไมเขาได้ไเกิดสวรรค์